บางคนน่างสารนะพไปเจอไปไหนเขาต้องหิ้วกระเป๋าปใบมีมือถือหลายเครื่องพกไม่ไหวนะพบไมไ่ใส่กระเป๋า <laughs> เวลามันดังทีอั น, น, นไม่รู้ตัวไหนร้อง <laughs> <laughs> มีปากเดียว <laughs> มันจะพูดอะไรนักหนาเนาะแล้วถ้าเรารู้จักมีชีวิตที่ธรรมดาธรรมดานะ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 ไนะม่ทรพ่จะมีค้อแนะนำอะไรไหมคะยมเห็นได้เห็นกิเลสได้ดีที่สุดแล้วละคอรู้ทันนะเห็นผู้ร้ายในบ้านเดี๋ยววันหนึ่งผู้ร้ายอยู่ไม่ได้อะแล้วถ <Okay. S 1> ่ากรับนมัสการเจ้าค่ะ <c oughs> เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่มาที่วัดครั้งแรกอะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าเถ่าซึมแล้วก็ไปกดเอาไว้ค่ะตอนนี้ สภ า, าวะตอนนี้เนี่ยถาว่ามันไม่ไม่กดเท่าไหร่แล้วดีขึ้นนะเจ้าคะ่ะเขาก็ไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรความโลภมาอันดับแรกนั่นแหละถึงบอ ก, บอกนะเพ่งมาจากโลภแหละเจ้าคะ่ะมันจยากทำอ ย, กอยากได้อยากดีเจ้าคะ่ะก็เลยพยายามทำํำพอทําไม่ได้อย่างใจพยายามไปกดมันมแล้วก็มีโทสะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นซึมอย่างที่บอกเจ้าค่ะแล้วก็พอ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 นะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราลูกตาไม่ใช่ตัวเรานนี้แรกๆก็ใช้ใจน้อมไปก่อนหรือเปล่าคะใช่ใช้น้อมพิจารณาเอานะไม่งั้นมันไม่ขึ้นปัญญาสถิค่ะแล้วก็ขอถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนระหว่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศนะคะจู่ๆเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนภาพที่ตาเราดับไปเออนั่นแ่ะปกติอันนั้นปกตินะคะปกติแต่เราไม่เคยเห็นใช่ค่ะไม่เคยเห็นค่ะ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 ถัดนะจากนั้นก็จะเกิดการตัดสินใจแนละ้วขี้ห<ช>มาเนี่ยไม่ดีให้ฆ่าเลยการ น, นี้ดีไม่ดีแล้วคือโปฏิเนี่ยเวลาคนพูดไม่ถูกผิดถูกปุ๊บะจะโกรธสันทีขึ้นมาเลย ไ, ไม่เป็นแตนะ่คนพูดไม่ถูกถูกหัวนะถูกใจเราใช่ไหมฮะเขาจะโกรธขึ้นมาออเออไม่เห็นเป็นสเต็ปว่าได้ยินเสียง<ช>สัญญาณรู้ไม่มีเกิดนั่นเกิดขึ้นนะ<ช>แต่เม่เกิดสัญญาณอย่างนี้เกิดขึ้นจะเห็นเป็นสเต็ปอย่างนั้นแหละต้องฝึกอย่างนี้บ่อยหรือเปล่าครับอาจารย์มันเป็นเองนะฝึกมีสติบ่อยๆเห็นเอง